ขุทธกนิกายหัวข้อที่หวิมานวัตถุว่าด้วยวิมานของเทวดาในหมวดนี้ไม่เรียกว่าสูตรเหมือนหมวดอื่นแต่เรียกว่าวิมานชื่อของวิมานนั้นเรียกตามรูปร่างวิมานบ้างตามชื่อของเจ้าของวิมานบ้างเรื่องราวส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่พระมหาโมคลานะถามเทพบุตรเทพธิดาถึงอดีตก ร, รม ที่ส่งผลให้มาเกิดในวิมานนั้นๆได้รับคำตอบเป็นรายๆไปรวมทั้งหมด85รายด้วยกันสาระของวิมานวัตถุไม่ได้อยู่ที่ความสวยงามของวิมานหรือความรุ่งเรืองของเทพบุตรเท พ, พธิดาที่ปรากฏแต่อยู่ที่การแสดงผลของกุศ ล, ลกรรมหรือความดีที่แต่ละคนได้ทามาเช่นผลของการรักษาศีล การให้ทานจุดใต้ตามไฟให้แสงสว่างแก่คนเดินทางการฟังธรรมการรักษาศีลอุโบสถเป็นต้นที่น่าสังเกตก็คือแม้เป็นกิจกรรมเล็กน้อยแต่ตั้งใจทำด้วยจิตใจเลื่อมใสบริสุทธิ์ก็ให้ผลอย่างมหาศาลเช่นเพียงการยกมือไหว้ผู้ทรงศีลหรือการให้ของเล็กน้อยเป็นทานด้วยใจบริสุทธิ์ ก็นำให้ไปเกิดในวิมานสมดังพุทธวจนะในพระสูตรหนึ่งว่าแม้คิดเรื่องที่เป็นกุศลเพียงครู่เดียวก็มีผลมากไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงการลงมือกระทําหมวดที่ 7. เปตะวัตถุเล่าเรื่องเปรตโดยเน้นประเด็นใหญ่สองประเด็นคือความทุกข์ทรมานต่างๆ และรูปร่างอันน่าเกลียดน่ากลัวของเปรตเหล่านั้นและผลกรรมชั่วที่กระทำไว้แต่ชาติเป็นมนุษย์มีทั้งหมดห้าิบเอ็ดเรื่องจัดเป็นวร์ได้ห้าวร์ข้อที่น่าสังเกตคือคำว่าเปรตในเปตะวัตถุนี้มีใช้สองความหมายคือหมายถึงผู้ล่วงลับไปแล้วธรรมดาธรรมดานำมาเล่าไว้เพื่อเตือนสติว่าคนที่อยู่ข้างหลัง ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้คนที่ล่วงลับไปแล้วส่วนอีกความหมายหนึ่งหมายถึงผู้ที่กระทำคมชั่วแล้วตายไปเกิดเป็นเปรตได้รับทุกทรมานต่างๆหมวดที่8เทระคถ า, าเทราคาาีคถาว่าด้วยบทกวีบรรยายธรรมบ้างบรรยายประสบการณ์ต่างๆ ที่ทำให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงกล่าวบทกวีออกมาด้วยแรงบันดาลใจมีลักษณะคล้ายพุทธอุทานเนื้อหาของคาถาบางตอนก็มีซ้ำกับคาถาธรรมบทความสอดคล้องของโครงสร้างภาษาและสำนวนภาษาคิดว่าไม่น่าจะเป็นภาสิทธ์ของพระเทระแต่ละรูปจริงๆอาจเป็นกวีนิรนามคนใดคนหนึ่งแต่งขึ้น โดยยืมชื่อพระเทะเหล่านั้นมาใช้ก็ได้สำหรับเรื่องนี้โปรดดูบทความเรื่องคาถาและบทเพลงแห่งพระอระหันต์จากหนังสือยุทธจักรดงขมิน้นของท่านเจ้าของบทความคือศาสตราจารย์พิเศษสเสถียนพงว์วรรณปกต่อไปนี้ขอยกบทกวีเฉพาะบางส่วนในเทระคาถาที่มีความไเระกินใจให้ดูพอเป็นตัวอย่าง หนึ่งกายฉันอยู่บ้านใจฉันอยู่ปา่านอนอยู่ฉันก็ไปได้ผู้รู้แจ้งชัดไม่มีอะไรขัดข้องสองฝูงมยุราขนเขียวคองามงอนงามร่ำร้องอยู่ในปา่าเริงร่ากลางลมหนาวปลุกนักบำเพ็ญฌานผู้หลับไหลสนักพุ่มกอบไผ่ ฉันนั่งกินข้าวเห็นขันเกิดดับฉันจะกลับไรคีรีเจริญวิเวกสป่าหญ้าแรกป่าญ้าคาป่าห ญ, ญ้ามุงกระต่ายป่าอ้อป่าเหลาฉันจะเอาอุระแหวกฝ่าไปสแสวงวิเวกหเจ็บไข้เกิดขึ้นสติเกิดขึ้นเจ็บไข้เกิดขึ้นมิใช่เวลาประมาท มารดารักบุตรสุดที่รักคนเดียวพระรักสรรพสัตว์ทั้งโลก 7. พระไม่สำรวมละอิงสมาธิเดินทุดงตามหัวเมืองจะช่วยอะไรได้หยุดคิดไคร้สัญจรเถิดหันมาบำเพ็ญฌานตัดกิเลสตัณหา 8. โคดีรู้งานลากคันไถยไปสบาย เมื่อฉันได้รับความสุขที่แท้คืนวันผ่านไปสบาย 9. โคอาชาในตัวประเสริฐล้มแล้วลุกได้สาวกของพระพุทธเจ้าเช่นเรามีความเห็นถูกชัดจากปฏิบัติเช่นเดียวกัน 10. ทธรณีหลังฝนชุ่มฉ่ำระพายกระนำพัด สายฟ้าจะรัดแลบกลางเวหาวิตกฆ่าสงบสนิทจิตฆ่ามั่นคงสิบเอ็ดฝนตกฟังเพราะดังเพลงสวรรค์ประท่อมของฉันมุงดีแล้วมิชิตสบายดีฝนเอย่ยเชิญเจ้าตกลงมาเถิดสิบสองคนตาดี ย่อมมองเห็นคนตาดีและคนตาบอดคนตาบอดย่อมมองไม่เห็นทั้งคนตาบอดและคนตาดี 13. หลับตลอดราตรีคลุกคลีหมู่คนทั้งวันคนโง่เขลาเช่นนั้นเมื่อไรจะพ้นทุกเล่า 14. ครองเพศบรรพชิตนั้นแสนลำบาก คารวาสวิสัยก็ยากเช่นเดียวกันประธรรมอันคัมภีรภาพยากเข้าใจโภคซัพ์กว่าจะหามาได้ก็เหน็ดเหนื่อยมีชีวิตเรื่อยๆอย่างสันโดษก็ยากเย็นฉนนี้น่าจะเห็นน่าจะคิดอนิจจังสิบห้ากระท่อมน้อยมีห้าประตูวานอนเข้าไปอยู่ เวียนเข้าเวียนออกเสมอเสมอ 16. หยุดณเจ้าหลิงเจ้าวิ่งไม่ได้ดังเกา่าข้าจับเจ้าด้วยปัญญาเจ้าไปไหนไม่ได้ไกล 17. ผู้ส่งความรู้หมดกิเลส ช, ชนะศัตรูคนไม่รู้เบาปัญญาดูหมิ่นว่าไร้ชื่อเสียงส่วนคนมีทรัพย์ ข้าวน้ำนับอเนกอนันต์ถึงจะชั่วช้ามหันเขาก็สรรเสริญสิบปดเกาะขอนน้อยลอยคอกลางมหาสมุทรในที่สุดก็จมน้ำตายคนที่มีชีวิตอยู่สบายอาศัยความเกียจคร้านไม่นานก็ล่มจมสิบเกคนเกี่ยวข้องกับคน คนยินดีกับคนคนถูกคนเบียดเบียนคนเบียดเบียนคนจะต้องการอะไรกับคนหรือผลผลิตของคนจงละยิ้งคนที่เบียดเบียนคนไปเสียยี่สิบถ้าตนไม่มั่นคงคนอื่นสันเรินคำสันเริญ น, นั้นเปล่าประโยชน์ถ้าตนมั่นคงดีคนอื่นนินทา คำนินทานั้นเปล่าประโยชน์ยี่สิบเอ็ดฉันเห็นมานักต่อนักแล้วเหล่าอุบาสกผู้อ้างว่าทรงธรรมปากก็ร่ำว่ากามทั้งหลายเป็นอนิจจังแต่ก็ยังกำนัดยินดีในแก้วมณีบุตรพัญญาแน่นอนพวกเขาไม่รู้ธรรมะจริงแท้ถึงแม้จะกล่าวว่าการเป็นอนิจจัง พลังยาณไม่กล้าแข็งพอจะตัดความใคร่จึงยึดมั่นอยู่ในบุตรพัญญาและทรัพย์สิน 22. ตายฉันก็ไม่คิดชีวิตฉันก็ไม่คำนึงรอการเวลามาถึงรู้เท่ารู้ทัน 23. สหวังเป็นสมณะที่ดีดำรงชีวิตสันติสุข ควรเสพเสนาสนะตามมีตามได้ดุจอสรพิษพอใจในโพรงพลึกและมูสิกขุดรูลึกอาศัย 24. ิตินชาติไม่รู้ร้อนรู้หนาวใครคิดเอาเป็นเยี่ยงอย่างกิจที่ควรทำไม่ข้างค้างเขาไม่เว้นว่างจากความสุขยี่สิบห้า อยู่อย่างรมต้องอยู่เอกาอยู่อย่างเทวดาต้องมีสหายอยู่อย่างชาวบ้านแสนวุ่นวายต้องอยู่มากมายตั้งสามคน26่สิไหใครร้ซึ่งคารวะในผู้มีอาจาระบริสุทธิ์เขาห่างไกลจากความดีดุดปฏิพีห่างคัดขนาน27ส็ด การควรช้ากลับหุนหันการควรด่วนพลันกลับชักช้าไม่วางแผนด้วยปัญญาคนโง่ประสบปัญหาชีวิต 28. สัตว์โลกถูกมรตยูดักฆ่าถูกชรารุมไล่ต้อนยิงด้วยลูกศรคือความทะเยอทยานเผาให้เป็นทานด้วยความปรารถนา ยี่สิบเกมรุตยูพยาธิชราทั้ทงสามคือกองไฟลามลุกไหม้แรงจะต้านก็ไม่มีจะหนีก็ไม่ทันสามสิบคนมิได้เป็นโจรเพราะคำคนมิได้เป็นมุนีเพราะคำคนรู้ตัวว่าเป็นคนเช่นใดเหล่าเทพไทยก็รู้เช่นเดียวกัน 31. มสอดมรึกขชาติอยู่ในไพรสนหลงกลติดบ่วงพรานมัตสยาในชนละทานหลงกลืนเบ็ดวานอนบนต้นไม้หลงติดตังปุถุชนผู้มากด้วยตัณหาในดวงจิตหลงติดในเบญจา ก, กามคุณส2มสองมัวติดในรถใจก็งดพิรมชาญ มุนีควรมักน้อยสันโดษโปรดสถานสงัดไม่คลุกคลีกับพุทธบริษัทไม่ว่าคฤหัสถ์หรือบรรพชิตสามสิบสามไม่ว่าใครให้เจ็บซ้ำไม่ทำให้ใครเคืองสำรวมเรื่องปาติโมกบริโภคแต่พอดีสามสิบสีหนึ่ง มีมิตรผู้ดีงามหนึ่งศึกษาสมริดผลัยศาลหนึ่งเชื่อฟังครูอาจารย์สามประการนี้เหมาะแก่สมณะส5ิหนทางตรงทางหลัดพระพุทธเจ้าตรัสชี้ไว้จงเดินไปข้างหน้าอย่าหวนกลับจงเตือนตนด้วยตนมุ่งสู่ความหลุดพ้น คือพระนิพพาน 36. ถึงคราวสุข ก, ก็เฟื่องฟูลอยถึงคราวทุกข์ก็ถอยจมคนโง่ย่อมทุกตรมทั้งสองสถานเพราะไรยานเห็นแจ้งจริง 37. ภิกษุผู้ฟุ้งซ่านมากลับกลายคบสหายชั่วช้าจะถูกกระแสกิเลสตัณหาพัดพา จมดิ่งห่วงสังสาวรวัด38เดินสงา่ายืนสงา่านั่งสงเงียมนอนสงบทุกอิริยาบประมัดนี่คือคุณสมบัติของนาเคน39บุญทริกเกิดในชลาไลัลกลิ่นหอมรื่นรมใจไม่เปียกน้ำ พระพุทธเจ้าเกิดในโลกไม่ติดในโลกีดุดปทุมรมณีไม่เปียกน้ำสี่สิบอายุยืนยาวความหนุ่มสาวยืนนานทรัพย์สลึงคารก็ซื้อไม่ได้ราดว่าชีวิตนั้นสั้นนิดวิปริตผันแปรไม่แน่นอนสี่เอด ไม่ว่ามั่นคงหรือไร้ซัพ์สรดึงขานไม่ว่าผ่านหรือปราดรับรู้ผ่านประสาสัมผัสเหมือนกันคนโง่รับรู้อย่างโง่โงย่อมทุกข์ถนัดผู้ฉลาดรู้เท่าทันสัมผัสไม่หวั่นไหว42สสองกลางป่าใหญ่ดอกไม้บานสะพรั่งสมณะหนึ่งนั่งนิ่งสงบพินิษ เกิดความคิดหลากหลาย43นกโขนต้นไม้เงื้อมเงาและขูหากลางพนาอันกว้างใหญ่สมณะท่านไฝวิเวกอยู่อย่างผู้มีเอกอุดมการ44กิเลสทั้งหลายเมื่อเติบกล้าสนตภายเหล่าประชาหมู่มาก เหมือนปีศาจชั่วร้ายสิงคนทำให้โง่บ้าสนุกสนาน45กินจนพุงกลางใหญ่นอนงายทอดหุยตื่นคุยแต่เรื่องไร้แก่นสารพระศาสดาจารย์ทรงตำหนิ46ผู้ผาสไลไม่เขยื่อนมั่นคง ภิกษุหมดความหลงย่อมมั่นคงดุจภูพา 47. เจผู้ไร้กิเลสกวนใจไปสแสวงความบริสุทธิ์เป็นนิดความผิดเล็กน้อยเท่าปลายขนทรายมองเห็นดุจเมฆ ก, ก้อนใหญ่บนท้องฟ้า 48. ผู้เป็นพระหูสูตรทรงความรู้ดูหมิ่นผู้ด้อยปัญญา เป็นดุดคนตาบอดสนิทถือตะเกียงสองทิศทางเดินส9สิเกาการกราบไหวบูชาคือหล่มภาพระหลงติดคือลูกสอนอาบยาพิษถอนได้ยากยิ่งห้าสิบจิตเอยชายหรือหญิงตกอยู่ใต้อำนาจของเจ้าโง่เขลา เสพสุขเป็นจอมปลอมยินยอมอยู่ในอำนาจมารวิ่งพลานจากพบสู่พบเขาสยบเป็นค่าช่วงใช้ของเจ้า